<c oughs> ขาดเมตตาขาดการุณาขาดมูติตาขาดอุเบกขาก็อยู่กันอย่างสัตย์เดรัจานเห็นสัตเดรัจานเขาอยู่กันะเขาอยู่กันอย่างเสรีจริงหรอแต่ว่าใช้อํานาจบาดใจเข้าห้ามหันกัน โดยไม่ปาณีปาใสากันนะตัวไหนมีกำลังมากกว่าก็กาดตัวไม่มีกำลังมากมีกำลังน้อยก็ถูกลังแกเปลี่ยนเบียนกันอยู่อย่างนั้นแม่การอยู่การกินเขาจะทัวจะเหลียเกียจานกันก็ดูมันไม่มีเอาซะเลยละ่ะมีเหลือกินเหลือใช้เขา้องหวงววาอยู่อย่างนั้นแะ เขาไม่แบ่งให้ใครหรอกนี่สัิ德拉สารทำเนียมเป็นอย่างนั้นของเขาผู้มีอำนาจใหญ่กว่ามีกำลังใหญ่กว่าก็จะรังแกผู้มีอำนาจน้อยมีกำลังน้อยเป็นธรรมดาของของ <c oughs> สัตว์ชนิดใดที่มันใหญ่โต แล้วก็มีพลังกำลังมากสามารถํำลายร่างกายสัดว์ผืนที่น้อยกว่าทำได้แล้วเขาก็กินเป็นอาหารเขาก็เป็นอย่างนี้กันอยู่นั่นเรียกว่าธรรมเนียมของสัตว์โลกเขาเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามา ป, ปฏิบัติแล้ว ก็จะ้ายแรงสัตว์เรามนุษย์เราเพราะว่ามนุษย์มันมีศาสตรามีอาวุธมีหอกมีดาบมีปืนที่เหนือกว่าสัตว์อื่นถ้าหากไม่มีคุณธรรมในใจแล้วเขาก็จะเข้าอ้ามั่นกันฆ่ากันลันแดงกันโอ้ยเป็นเบื่อไปเลยล่ะ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้วันก็ <c oughs> เริ่มแล้วเริ่มเอาลัาทธิของสันติการานมาใช้กันบางประเทศขาดอิริความละอายขาดโภตะปะความกลัวเกรงกลั ว, ล ว, ลวต่อบาปเขาก็ทำไปตามอำนาจทีเลสของเขานั่นแหละจะทำยังไงจะให้สาใจ เขาอิจฉาเบียดเบียนประเทศอะไรอะไรเขาดีกว่าเราหรือเขาเก่งกว่าเราหาวิธีกันแกล้งกันต่างๆนานาอย่างอเวริกาก็ถูกถู ก, ถ, ก, ถ, กถูกทำลายเหมือนกันทำไงจะบ่นทำลายได้เขาก็ขีดทำลายไปแล้ว อ, อย่างอ ะ, อะไรอ่ะ ที่ New York, New York นิวยอร์กนิวยอร์กนะเขาก็จะคิดบ่อนทําลายนิวยอร์กบ้างอะกรุงอะไรอะไรเขาก็อยากจะทําลายไปหมดละเพราะว่ามีอำนาจเหนือสูงกว่าเขาเขาจะทําลายด้วยการอิทธิพลมืดของเขาอะไ่นเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อเร็วๆมานี้วันที่เทไลวันที่ แปดที่เก้าวันที่เท่าไรเนี่ยอ้าวเกดแปดเก้ามาเนีก็ประเทศอินโดนีเซียมีกับวางแผนกันทำลายเอาระเบิดไปวางแม่ตายเป็นเบื่อไปเลยนี่คือดีเรียกว่าทำแบบ ไม่มีความเมตตาพราณีกันเลยไม่พระณีประสายนี่ขาดคุณธรรมในใจไม่มีหิริไม่มีโอตปะนับตั้งแต่ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไปละเมืมีไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาเลยไม่เชื่อบาปเชื่อบุญเลยไม่มีศีลไม่มีข้อทั้งวันระวังไม่มีงดเว้นเลยอย่างเนี้ย เขาก็ทำไปตามอำนาจจิเลตของเขาเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเขาก็คิดเคียดแ้นทิงชังอย่างเอาไม่อยู่ละต้องทำอำนาจของความอิจฉาริษยานั้นให้สาใจดังนี้นะ เ, เห็นกันหรือเปล่าเคยดูโทรทัศน์กันหรือเปล่าข่าวอินโดนีเซียตายเป็นหลายร้อย บาทเจ็บนับไม่ถ้วนอกีกดังนี้เรียกว่าโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นในโลกแล้วดังนี้าหากเมืองไทยเราไม่ฟ้องกันให้ดีก็าอาจจะถูกบ่อนทำลายเหมือนกันแหะแต่ว่าคนในชาติคงจะทำกันไม่ลงหรอกเพราะว่าคนในชาติมีศาสนามีศีล มีธรรมมีเมตตามีกรุณามีมูทิตามีอุเบกขาทําไม่ลงแล้วถ้า ค, คนมีธรรมะธ ร, รมโมอยู่ในใจเราทาไม่ได้เรียกได้ว่าทำคุ้มครองโลกมีอยู่คือหลีลิกโวชปานั่นแหละทําคุ้มครองโลกเป็นธรรมโลกกบานทําคุ้มครอง ปกป้องสัตว์โลกให้อยู่ร่วมกันอย่างพี่อย่างนอง้องออย่างญาติอย่างมิตรเอาลักกันขนาดไหนญาติมิตรเขาก็ไม่ทําลายกันดังนั้นถ้ามีคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมทําลายผู้อื่นไม่ลงคิดทําลายก็ไม่เคยคิดมีแต่แพร่เมตตาปาตตนาให้ผู้อื่นเป็นโุคเนี่ย อยางี่พวกเราสวดกันไปตะกี้เนี่ยสเปสตาเวลาอนุสเพสตาเวลาพรยาพะเจ้าอตุสเพสตาอนิขาอนุเหล่านี้มีแต่สวดเมตตาสวดกัลปนาสวดมุทิตาสวดอุเบกขาให้มันเจริญขึ้นในใจไม่ให้มันฮึกเขิมไม่ให้มัน เกิดขึ้นใหญ่โตเกินกว่าจิตใจจิตใจมีสติรู้เท่าทันอยู่อันนี้มาจากคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้มีนัยยะเป็นอันมากอันว่าอัพญญาปัังสุขขังโลเจปานะภูเตสุขันยโม ความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นสุขในโลกโดยเฉพาะสัตว์ปานสัตว์สัตว์ที่มีชีวิตมีลมปานเหล่านี้เราเลิกได้ละได้ก็เป็นเหตุให้เกิดเมตตากรุณาในใจเต็มที่สามารถไม่สามารถจะเบียดเบียนเขาได้เลยสัตว์นา้าในนา้าในบกสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ ตัวปีตัวอีตัวผอมกันแล้วแต่ให้คิดจะเป็นเหมือนญาติของเราเหมือนพี่เหมือนน้องเรามีความทุกข์ทรมานเหมือนกันกันกบเราเมื่อเรารักษาสินประกอบด้วยเมตตาแล้วเราก็จะเบาบางลงไปเบาบางลงไปไม่สามารถจะล่วงเกินคาสั่งคาสอนไปได้ ก็ได้รับแต่ความสงบสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขบ้านเราไม่วุ่นวายครับเพราะต่างคนต่างมีสินธรรมกันอยู่ข อ, อให้สังรวมระวังกิงกิงๆ่างจังกันเถอะ <c oughs> <c oughs> ปาณาติปาตาเวรมนีอันนี้เป็นของดีแล้วเนี่ยเราเว้นจากการเบียดเบียนชีวิตสัตว ได้เวรมณีเราเวน้นสิกขาปะทถงสมาธิญามิตั้งใจมัน่นไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างไม่ให้ปล่อยอไม่จําเป็นจริงๆเราก็ไม่ต้องฆ้าไม่ต้องแกงเขาดังนั้นนะอถ้ากินก็มีปัญญากินอยู่กินอย่างมีปัญญาขยันทางอื่นดีขยันทางอื่นขยันอ ปลูกสิ่งปลูกของอให้มากๆทำอะไรทำรั่วทำสวนทขาขยัน่างอื่นแล้วก็ได้เงินได้ทองมาเงินทองที่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานแล้วก็ใช้ประโยชน์มันที่นี่เงินทองนั่นไปซื้อของที่ตายแล้วมากินไม่ต้องเบียดเบียนหลอกแต่ว่าขายันทางอื่นขยันอยู่เกษตรกรเกษตรกรรมอะไรเราต้องขยัน มันเปียนอย่างว่าน้ําท่วมมากเสียหายหลายแรงพักข้าวกล้าในนาเสียหายเป็นจํานวนมากถ้าเราขยันมันเพียนจริงๆเราก็จะเอาตัวรอดได้เ อ, เอาอยัางไงล่ะทํายังไงโอ้ยไปหาันผักบุ่งกินมาผักบุ้งกินมาเยอะๆไม่เล็ดมันออกมาเยอะๆ มาปูกเป็นแปลงเป็นแปลงเป็นแปลลยเป็นแปลงไว้มันเกิดขึ้นมารดน้ำมันบ้างแต่มันก็งามเองหรอกบุ้งกีเนี่ยเวลามันยาวพอจะถอนได้ก็ถอนไปขายได้กร ะ, ะยันจริงๆิอีกก็หาพันเม็ดผักเซี้ยนมาหวานให้มันได้หลายแปลงได้จากสามสิบแปงลงสามสิบร่องเน่ย นีในผักเสี้ยนทางด้านเวลามันงามมันยาวมาแล้วอย่าเพิ่งถอนมันตัดเอาอย่าให้มันทันเป็นดอกตัดเอาตัดเอ า, ต, เอาตัดเอาหมดแปลงนี้เอาไปขั้นส้มให้มันอร่อยอร่อยดีๆแล้วเอาไปขายวันละกะมังกะละมังวันละกะละมังกะละมังกะละมั ง, มงหนึ่งมันจะได้กี่ถ้วยถ้วยหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าบาทขึ้นไปละ ตัวใหญ่ๆน้อยความันอร่อยดีๆมันไม่ขมไม่คืนแล้วก็มีที่คนนิยมชม ช, มชอบกินกันดังน่ารักถ้าไม่มีความรู้ครั้งนี้ก็มาเรียนวิชาจากอเขาไม่จีผู้ทําเป็นก็ได้อทําไปเป็นทําให้มันดีๆคันชมเปลี่ยนไปขายถ้าได้สามสิบแปลงล่ะเจะว่าอย่างไงสามสิบแปลงก็เดือดได้ ว่าเดือนหนึ่งสามสิบวันก็ได้เงินหลายหลายหมืน่นหลายนั่นอยู่นะเ อ, เอาจริงเขาจ้างเงนะินแล้วก็มันเทศมันเทศมันเผามันแก้ว น, นะนั่นก็เป็นประโยชน์ดีเหมือนกันถ้าขยันหน่อยหาพันมันมันแก้วมามันเทศมาม เปลูกตามท้องไร่ท้องนาไปที่ไหนก็ได้น้ํา ม, มันบอกไปแล้วปลูกได้มันเกิดขึ้นมาเองละเมื่อมันงามพอสมควรแล้วมันก็ออกออกหัวออกอะไรกันวะพอถึงเก็บถึงเกล้าเก็บเกล้ากู่มาก็จะได้จํานวนมากเพิ่มเติมอีกเป็นสินค้าขายได้ในตลาดเขาไม่ประดิเศษดอก เ, เอเพื่อเนี่ยว่า วิริยณะดุขมะเจติความขยันหมั่นเพียรนะสิ่งนั้นล่วงพ้นทุกได้ล่วมกอดทุกได้เพราะความเพียรถ้าไปนั่งงอมืองอเท้าอยู่ไม่ช่วยตัวเองมันก็จะว่าอย่างไรเราเนี่ยจนแน่นอนยากด้วยจนด้วยอดด้วยยากด้วยทั้งอดทั้งยากยากจนไปด้วยจะไปขอทานที่ไหนเขา เดี๋ยวนี้มันเป็นกันทุกหมู่บ้านทุก อ, อำเภอทุกจังหวัดแล้วภัอยอันนี้อุทกข้อ่อขขเอาเกิดขึ้นทุกมุมเมืองแล้วแล้วนี่ช่วยตัวเองน้อยอันนี้ให้ขยนันขยันน้อยการปลูกการฟางพอตัดต้นข้าวแล้วจะปลูกแกงแล้วปลูกถั่วหรือจะปลูก มันจะบาลังแล้วแต่ถ้าขยันหน่อยก็จะเอาสัวรอดได้นะแค่ <c oughs> น, นี้ขอปากฝังไว้ด้วยเลือกอาชีพการงานก็ดีเรื่องศีลธรรมนี่เห็นว่าเป็นสำคัญมากถ้าเราไม่มีศีลมีธรรมเราไปอยู่กันอย่างสัตว์เดระสาร อ, อันว่าคำโกงของ พณิผลของล้นเก้ารัชกาลที่หกท่านว่าไว้ดีมากเมืองใดไม่มีทหารหารเมืองนั้นไม่นานจะเป็นข้าเมืองใดไม่มีจอมภาลาไล่จอมภาลาไม่มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงธรรมเดี๋ยว่าจอมบาลาเมืองนั้นไม่ช้าก็าจะอับจน เมืองใดไม่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นก็ย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไม่มีศิลโสภณเมืองนั้นก็ไม่พ้นเสื่อมทรามนะเข้าใจว่าพาณิชย์เลิศพาณิชย์เลิศก็คือคนซื่อสัตย์จริตต่อว่านต่อเมืองไม่โกงไม่ดินไม่เก็บไม่คำไม่กอบไม่โกยไม่ขึ้นภาษีอาครอะไรมากมายเกินกว่า ที่กัดอัตราเอาแต่พอดีคนดีธรรมดาก็ทําให้ผู้ทำมาคขายขายาสะดวกกับายทุกอย่างเรียกว่าพาณิชย์เลิศ เ, เมืองใดไม่มีมุกสินโสคนไม่มีศินมีธรรมอะไรเลยไม่มีความอายต่อการทําบาปสินโสคนตะ้องมีความอายต่อการกทําบาป คิดบาป พ, พูดบาปสิ่งใดที่กระทบกระเทือนผู้อื่นทำไม่ได้เนีย่ยเป็นสินโสคลแล้วไมเ่เราก็พ้นจากความเสื่อมทรามไปแล้วถ้ามีสินโสพลทางวัดทางวาเขมีสินโสคลทางบ้านก็มีสินโคคนนสนโ ค, คนกันมีข้อวดเว้นกันเป็นอย่าง เ, าเคร่งครัดไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างไม่ให้ร่อยได้ อย่าสินโสพลเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แก้วคนหยามละ <c oughs> กวีแก้วคือว่านักป ร, ราชบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งหลายเป็นนักกวีเป็นนัก ก, ว, นน ก, กวีเอกแต่ว่าเมืองไทยเราก็มีอยู่นักตั้งแต่สุนทรผู้มาทางทางทางญาติโยมเราเอาสุนทรผู้เป็นตัวอย่าง ทางธรรมก็มีเจ้าพระคุณสมเด็จตูบาลีเจ้าคุณตุบาลีคุณอุบามาาจารย์สมเด็จพุทธาอารย์โตสมเด็จอะไรอะไรมากมายเป็นนักกวีเหมือนกันร้อยกองพระธรรมวินัยเอาไว้ให้หลูกหลานได้ศึกษาเล่าเรียนเป็นจํานวนมากมกวีแก้วของเรามีอยู่ทั่วไปแม้แต่พระราชาท่านก็เป็นนักกวีเองอ่านไม่ นิ่งดูได้หรอกท่านศึกษาอยู่อย่างนั้นราชาทุกสมัยมาบุรพมาหากษัตริ์ทุกรัชกาลมาท่านข็อเป็นนักกวีกันทั้งนั้นนักกวีเอกกันทั้งนั้นนี่ไม่มีใครเดียดหยามเราได้หรอกเมืองใดไม่มีกวีแก้วเมืองนั้นไม่แคล้วผลหยามถ้าไม่มีจริงๆแล้วก็เป็นคนโง่ ไม่มีนักกวีนักประพันธ์ใดๆเลยไม่มีนักปราะราชสบ ร, รมอะไรเลยก็อยู่กันอย่างวัวอย่างควายการศึกษาเล่าเรียนก็จะไม่ดีดังนี้พออย่างนั้นพวกเรามีแล้วมีพระมหากษัตริย์ก็เป็นนักกวีเอกมาแล้วอมหาป ร, รีญญาทั้งหลายก็เป็นนักกวีนิพน์กันทั้งนั้นเก่ง มากเจ้าคุณพระคุณสมเด็จนนสมเด็จนี่เป็นนักกวีไม่มีใครเหยียดหยามเราได้หรอกเมืองใดไม่มีนารีงามเมืองนั้นขาดความภูมิใจนะว่เราแบบมีนารีงามกันเยอะอยู่ดอกถึงแม้เอาไปแข่งขันแจกวานกันยังได้เขาเป็นบางสมัยอยู่ไม่ได้ทุกสมัยหรอกแปลว่ายังไม่ได้เอาไป ประกวดหมดเฉยๆเอาแต่บางคนเผู้ที่เขาสมัครมีโอกาสได้ไปชิงนางงามขับเขาขก็ส่งคนนั่นไปแต่ว่างามกว่านั่นก็ยังมีเยอะอยู่ใบ้ฉะนั้นเมืองเราไม่ขาดความภูมิใจกันหรอกมีมีนาดีงามแล้วเมืองเราไม่ขาดความภูมิใจเมืองใดไม่มีดนตรีเลิศ เมืองนั่นไม่เลือดพิษสมัยก็ว่าโอ้ยดนตรีของคนไทยจะหายหว่างดนตรีไทยเดิมดนตรีลูกทุ่งลูกกรุงมีสารพัดดนตรีจนยุ่งเหยิงไปละละดนตรีเลือดมากมายจะมันเลงความเจ้าจิตใจก็ให้โศกเศร้าร้องห่มร้องไห้ก็ยังมีอยู่อย่างทรณีกันแสง สร้อยแสงแดงปยายาโศกแล้วนี Means, ่บันเลงขึ้นดูจตีทำให้ใจโอ้โหยหวนชวนฟังไประลึกถึงผู้มีพระคุณไปต่างๆนานาได้ดนตรีเลิศลูกตุงลูกกุ้งก็มีดังนี้เมืองใดเมืองใดไล่ทำอภัย เมืองนั่นมั น, นย์แน่เอ้ยข้อสุดท้ายนี้หน้าหน้านั่นแลนนะ้วก็หน้าวิตกกังวลมากถ้าหากไล่ทำมำภัยไม่มีคุณธรรมในใจแล้วก็สามารถทําลายซึ่งกันและกันได้โดยวิธีต่างๆมีการกันแกร้งกันต่างๆนานามีการ ใส่ร้ายกันป้ายสีกันต่างๆนานาได้ใครจะดีกว่าเราไม่ได้เลยแม้ทั้งแต่อยู่ในสภายังมีการใส่ร้ายกันป้ายสีกันไม่ไว้วางใจกันอยู่อย่างนั้นเอาพี่ปลายไม่รู้จะจบจะปิ้นเลยอย่างเนี้ยเพราะว่าขาดคุณธรรมภายในมีเรื่องอิจฉาดิสยาพยาบาทอาฆาตแข่งดีแข่งเด่นซิ่งกันละกันอยู่ อย่างนี้เรียกว่าร่าำกาญทําอธรมภัยทอาอธรมภัยนั่นคือว่ามีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอ่ามีอุเบกขามีความเคารพนักถือผู้หลักผู้ใหญ่อาวุโสอาวุสูงกว่าอย่างนี้ทําอธรมภัยมีเป็นการประพฤติปฏิบัติทําไปในตัวนางนี่ทอาอธรมภัย ทำให้งามในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อดังนี้มีธรรมอำภยัยเมืองเราไม่วันรลัยหรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในหลวงของเราเป็นผู้มีคุณธรรมสูงมีทัศนิชลธรรมไม่บกพร่องมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีความสงเคราะห์สงหาไตฟวาพรประชาชน เท่าที่จะช่วยเหลือได้หาหนทางช่วยเหลืออยู่อย่างนั้นไม่หยุดไม่ย่อนเลยคิดค้นหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อไปว่าผ้าเป็นดินคิดสูตรฝนเทียมขึ้นมาก็ได้ประโยชน์คิดหาวิธี กั้นเขื่อนตรงน้นกั้นเขื่อนตรงนี้เพื่อให้น้ามันไม่ทะลักเข้ามาท่วมบ้านท่วมเมืองกานกระทำได้ของท่านเต็มความสามารถอยู่แต่มันเหลือบากคัวแรงมันที่มันท่วมบ้านท่วมเมืองเนี่ยมันมาทางอื่นนลอกจับโครงการไปแล้วอย่างน้ำจะท่วมกรุงเทพก็มันมันปอบรรเทาไว้ได้เพราะว่าโครงการแก้มรีงของท่าน ต้านทานเอาไว้ได้ต้านเอาไว้ได้ไม่ได้ทะลักเข้าในกรุงเทพหมดทางโน้นมันก็ไหลลงไปทางสมุทรสาครเอาเอ า, เอาปล่อยไปทางโน้นทางนี้ก็มันมาคาอยู่ที่นี่นก็ไปทางสมุทรปราการว่าออกไม่น้ำบางระโคงบ้างไม่ให้ท่วมในกรุงเทพก็ไรนัก มีที่ระบายไปพอทุกวนอยู่ตามโครงการพระมหากรุณาตามโครงการอของในหลวงท่านช่วยคิดแก้ไขไว้ให้สะพานไหนแคบท่านก็ให้ขยายสะพานออกกว้างๆให้น้า ม, มันไปสะดวกสบายท่านคิดค้นไว้หมดละหัง น, นี้พอจะนั่น พวกเราก็เป็นผู้มีบุญได้เกิดทันสมัยของอผู้มีธรรมเราก็ควรจะปฏิบัติตนอยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมให้มากมากทีเดียวมีเมตตากรุณาต่อกันให้มากมาช่วยเหลือเจือจานกันให้มากมากขยันมันเพียนข้าอธรรมะาาจริง มันแ่ท่วมไปแค่ไหนแกสร้างมันเถอะแต่น้ำใจเราไม่ไลแรงไม่ร่วยหรอกน้ำใจเรายัางมีเมตตาการุณาต่อกันอยู่ไม่เอารัดเอาเปรียบกันสงข้อสงหากันไปก็จะมีความสุขความเจริญตามสมควรละในท้องที่บ้านของเราไอนนม้มีเจะาผู้มีศิลมีธรรมกันทั้งนั้นแล้วก็จะพึ่งพาอาศัยกันได้เลย หลงปู่ไปอยู่อย่างนี้ละ่ะอาศัจชาวบ้านเขากินอย่างนี้ละอาศัยพวกจากปพวกโยมเลี้ยงดูให้ถึงมีชีวิตรอดปลอดไปมาจะถึงกั่นั่นก็ยังหาโอกาสบอกบุญผู้มีบุญทั้งหลายทางกรุงเทพบ้างทางจังหวัดขอนแกน่นบ้างทีไหนบ้างให้เขาส่งเข้าจุกเอาสารอาหารแห้งมาให้เพื่อแจกจ่ายเอเอ น้ำท่วมตามหมู่บ้านแถวนั่นเคยไปหมดแล้วตัต้งแต่บ้านปักโูแล้วข้ามมานาวลงไปเรื่อยๆไปถึงบ้านปากหมากฟังโปงท่าบุงลงไปเราไปอยู่วันเดียวเท่านั้นแหละเรากลับมาความดันต่ำเลยเราหเห็นความทุกข์ควขอดเราหมากมากไปแก่ของเขา ถึงบ้านปักมาพนหนึ่งแล้วก็ต่อไปนั่นไหนหมู่ไปเราไม่สบายให้ไปทางบ้านโป่งบ้นงบนานธาตุลงไปทางโนดนละไปถึงบ้านกลางบ้านเกลิงไปทางโน้นละแกกของไปมีผู้เมตตาส่งของมาให้แกกเข้าสารหลายร้อยกระสอบมาได้แกก เนี่ยก็เรียกว่าสู้รัฐบาลได้เลยแล้วหลอรัฐบาลเนี่เอาเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไปโยนต์ลงก็ไปแย่งกันเอาคนเดียวอหมดแล้วไม่ทั่วถึงแล้วมันตักหมากล้อมงมล้องให้ไปล้อมงมล้องให้ไปไม่ได้ของแกเดี๋ยวเราไปแก้ให้แล้วแกพ้าเอาหน้ารอดไม่เป็นไรหนระอกไปช่วยแก้ให้ได้อยู่อ ยังมีอยู่อีกอยู่ในนี่มีเขาส่งมาให้มีอยู่บ้างได้ส่งไปทางต่างจังหวัดอีกจังหวัดร้อยเอ็ดสารามยะโสธรไปทางโน้นอ่ะอ่าเผาเดือดร้อนเขาส่งรถขึ้นมารับเอาไปเอาเอกไปได้เราจะไปสมเคราะห์คนลาบากอเออเรายังได้แก่กหลายอยู่เหมือนกันนะเอ่า แต่ว่าต่างจังหวัดอุดอรเนี่ยเขาช่วยกันได้อยู่ไม่ได้แก่แก่ไปทาง อ, าอกาลสินหรือบุรีลําย์ไปทางโน้นเราไปน้ํำท่วมไปทางโ น, น, น้ น, นหลายได้ช่วยกันอยู่อย่างงี้ที่ทามงบนทางช่วยเหลือเพราะเรารู้จักญาติโยมเยอะญาติโยมผู้มั่งมีพออยู่พอกินแล้วก็ขอเขาได้อยู่ อ้ยขอเขอ้าจับร้อยกระสอบไว้เขาก็ให้อยู่น ะ, อะขอห้าจติกระสอบเขาก็ขอขอให้มายัางว่าได้ไปแก่กันอะไรไปแก่ชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่เราก็ภูมิใจอยู่ว่าเรามีความหมายอยู่ชีวิตเรามีความหมายได้ช่วยประชาชนพอสมควรน ะ, ะแต่ว่าจะรีบจะขูดเขาหลายก็อายหขา ลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของโรงสีมีหลายโรงอยู่ทางเมือง อ, อะไรอะ่ะเมืองเขามีโรงสีเขาให้ได้อยู่ร้อยกระสอบสองร้อยกระสอบเขาก็คงจะให้ได้อยู่แต่เอาละพอสักพนว่า เราไม่มีเครื่องอนำทางพาไปเพราะฉะนั้นทุกคนจงแผ่เมตตาปราปรถนาดีในกันและกันเรื่อยๆอย่ามีความอิจฉาอย่ามีความตาลอนซึ่งกันและกันมุ่งที่จะช่วยเหลือทั้งเพื่อนละกันอยู่ช่วยอยู่ช่วยกินช่วยทำการทำงานอะไรให้บ้านให้เมืองเราจนเราก็ไม่จนนับใจ เรามีน้ำใจที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ชื่อว่าไม่จนคนจนจริงๆไม่มีทัพภายในไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาด้วยไม่มีศิลด้วยชื่อว่าจนสรัพภายในไม่มีหิริความละอายในใจชื่อว่าจนทัพภายในไม่มีโอต ป, ปะในความสะดุ้งกลัวก็ไม่มีชื่อว่าจนสัพภายในไม่มีผาหูสัจจ ไม่ไม่มีการได้ยินได้ฟังกระชื่อว่าจนทรัพย์ภายในไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละอะไรอะไรช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เลยอย่างนี้ไม่มีจาระกระชื่อว่าจนทรัพย์ภายในไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะคิดหาหนทางช่วยเหลือผู้อื่นได้เรียกว่าจนทรัพย์ภายในอีกเหมือนกัน ทรัพย์าภายในไม่มีแล้วก็เรียกว่าเป็นคนจนจนทรัพย์ภายในเพราะฉะนั้นทรัพย์ภายในพอเราสร้างได้อยู่ก็สร้างเอา ส, าสร้างเอาให้มันเจริญไว้อย่าให้มันใจจืดใจดำใจดำไว้ใ จ, ใ จ, ใจคิดคดทรายศต่อพี่ต่อน้องต่อบ้านต่อเมืองก็จะมีความสุขความเจริญเรียกว่าพัฒนาใจได้เต็มที่แล้ว ก็จะเป็นผู้เจริญออกงามไปบูลทั้งชาตินี้และชาติหน้าดังที่แสดงมาก็ยุตดดิด้วยเวลาเอวังก็มีด้วยปการเสนีแ <c oughs> จิตใจอีกด้วยการฟังเทศเนี่ยมันดีนะขออนุมโมทนาอยู่แล้วไม่หิฉาเลย หรือใครอิจฉาใครมีบางไหมไม่มีวาสําหรับเราไม่อิจฉาโมรนาผู้ดได้ได้ยินได้ฟังมากมา ก, มากโมรนาสาธุ ก, การตั้งแต่เกิดขึ้นมาลืมตาอ้าปากเราก็ สะสมการได้ยินได้ฟังมาเรื่อยๆไม่ว่าเรื่องโลกเรื่องกรรมเราก็ศึกษาอยู่อย่างนั้นสนใจอยากรู้อยากดูอยากเห็นอยู่อย่างนั้นไม่นิ่งนอนใจหรอกเด็กๆเกิดมาแล้วมันสั ง, สงเกตสังเกตมันศึกษาของมัน เคยขึ้นมาพ่อแม่ไปเปิดวิทยุให้ดูมันก็นมองจ้ออยู่อย่างนั้นแหละเปิดตรงนี้มันดังอย่างนี้เปิดตรงนี้มันเป็นอย่างนี้หลีอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ศึกษา ม, มาแต่น้อยๆพอมันโตขึ้นมาแล้วมันจําได้แล้วนะมันคานเข้าใส่เลยคานเข้าใส่โทรทัศน์คานเข้าใส่วิทยุไม่ห้ามมันก็เปิดเลยล่ะ เพราะมันได้เห็นได้ยินได้ฟังได้ดูเพราะว่าทำอะไรมาสนใจอยากจะทำจากนี้พวกเราก็โตขึ้นมาหน่อยพวกเราก็ฝึกลูกหลานของเราอีกไม่ใช่ปล่อยอยู่แค่นั้นออพอเข้าโรงเรียนไปแล้วครูก็ตัสอน ให้กราบให้ไหวให้เคารพมีสัมมาคาราวะอย่างนั้นอย่างนี้หรือให้ช่วยประเคนสิ่งประเคนของกับกูบาจานหลวงปู่กูบาจานไปบ้านไปเช่องอ่อนมังากาให้ลูกๆนั้นจัดการเอาเ อ, าเอาไปเคนของให้หนไ อ, อ้อย่างนี้เป็นการฝึกจริยธรรม ภาคปฏิบัติเลยศีลและธรรมศีลก็ดีก็ต้องฝึกกันเซยก่อนถึง จ, จะรู้จักเว้นจากการทำบาปต่างหลายทำก็ต้องฝึกกันเซยก่อนให้รู้จักอดรู้จักขม่มตัวเองเอ่อให้รู้จักบาบุญคุณโทษให้รู้จักหิเลความละอาย ไอ้อรุยจับอดจับปาความเกรงกลัวต่อบาปสอนกันมาแต่แต่น้อยน้อยแต่ฝันนั้นมันยังดื้อลั่นดันทุลังกันนะเอาไ่อยู่กูมีแต่พ่อแม่ได้ฝึกได้สอนมาแล้วแต่ว่าเตะทบุนพวกเราได้เกิดทันสมัยครูบาอาจารย์ ที่นาพาประพฤติปฏิบัติเคร่งคัดก็มีย่อยอนก็มีเออแต่ผู้มีปัญญาก็เลือกเอาเอาเอาอย่างไหนดีเอาอย่างไรดีละ่ะเอาอย่างเคร่งหรือเอาอย่างยอนหรือเอาอย่างไหนดีถ้ายอนเกินไปก็ดูมันจะไม่สวยไม่งาม ถ้าเคร่งเกินไปคนอื่นก็พืิบัตรตามลำบากเอาพอเหมาะพอดีเป็นสายกลางมัติมาปฏิปทาเอาสายกลา ง, ลางให้สบายสบายเนี่ยการพัฒนาด้านวัตถุพอดีพัฒนาจิตใจพอดีเป็นของใหญ่มากนะไม่ใช่ธรรมดา กว่าใจจะเจริญได้ก็ต้องพัฒนากันซก่อนพัฒนาแปลว่าทำให้มันเจริญเอาอะไรมาพัฒนาพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้แล้วศีลเด้เบืเ้องต้นศีลถ้าไม่มีศีลแล้วใจมันจะเละตุ่มเป๊ะไป นีสินมีข้อห้ามมีการงดการเว้นกันบ้างนับตั้งแต่ปานาอตินาคามมุสาสุราเวรมณนีสิกขาปะทังสมาทิยานีมีการเ ว, รเวร้นเออจากข้อต่างๆที่โทษต่างๆแล้วก็สมมาทิยานีสมทาน ตั้งมัน่นไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างไม่ให้พลอยอันนี้วิธีพัฒนาเบื้องต้นจะเป็นคนดีขึ้นมาได้เพราะศีลตะกอนอถ้าไม่มีศีลแล้วมันก็เลวเลวไปหมดถ้าเป็นพระก็ใช่ไม่ได้ถ้าไม่มีศีลถ้าเป็นโยมก็ไม่มีศักดิ์ศรี และไม่มีคุณความดีอะไรเลยขาดความเคารพนับถือนะไม่มีศีลมีดัดอะไรเลยดังนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรามีโอกาสได้ม า, าบวชเป็นพระมณีที่ประขาวหรือว่าบวชในธรรมะเพื่อปฏิบัติธรรมกันนี้เป็นโอกาส ดีเป็นโอกาสทองของพวกเราถ้าจะปล่อยให้มันเจริญเองปรากฏว่ามันจะยากนะยากต่อกันประอปพิธบัติเพราะกิเลส ข, ของเรามันมักง่ายมันจะชอบไปทางมักง่ายขี้เกียจขี้ข้าด น, นอนดีกว่า ไม่ไม่ฝืนใจตัวเองกิเลสมันเป็นอย่างนั้นมันชอบอให้ได้พักผ่อนให้ได้หลับนอนเต็มที่ให้ได้กินดื่มล้ำสมลาให้ได้่ล่าเริงไปตามอํานาจของกิเลสต่างๆนานาละถ้าปล่อยไปตามอํานาจของกิเลสอย่างนั้นมันก็เละอีกแ ล, ล้เละตุ่มเป๊ะไม่มีทางเจริญกับเขาแล้วอ แต่วิธีมาฝึกขัดดัดแปลงกายวาจาใจของตัวเองแมมันวิเศษมากท่านว่านักปราบัณิตสัตธุรุษต้องมีการท ร, รมานตัวเองให้คนอื่นมาท ร, รมานไม่ได้หรอกไม่มีใครจะท ร, รมานกันได้ตัวของตัวเราเป็นคนฝึกตัวเองอดกั้นตัวเองทนทานตัวเอง ไายเป็นตายใครจะมาอด ใ, ใครได้ก็มีตัวเองนั่นแหละทรมานตัวเองฝึกตัวเองนะได้ยินว่าตนนันแลเป็นที่ฝึนได้ยากท่านว่าอย่างนั้นเป็นจริงหรือเปล่านอ้อถ้าจะจริงนะเพราะมันรูกอำนาจเจริเกลเอ็อยู่บ่อยๆ <c oughs> สิ่งที่จะชำละมันมีมากนะโยมนะ ที่จะชำระออกจากกายวาจาใจของเราให้มันเบามันบางมันมีมากนะมากจริงๆนะ เ, เพราะว่าใจของเรานะมันทับผมเข้ามาด้วยสรรพอารมณ์ทั้งหลายตั้งแต่เกิดขึ้นมาตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นได้ลิ้มรส กายถูกต้องโสดสภาวะใจรู้ธรรมะลมมันก็สะสมพ้อมันเข้าเรื่อยเรื่สิ่งใดถูกใจมันก็ผูกใจอยู่นั่นแหละไม่วางแล้วสิ่งใดที่ไม่ถูกใจมันก็เป็นอนิจฐานลมเป็นอารมณ์ที่ไม่ถูกใจไม่พอใจแล้วก็โกรธฉุนเฉียว มันอยากได้มันอยากได้ยินอยู่อย่างนั้นละ่ะมันลำเอียงอยู่ในตัวเสร็สิ่งใดดีมันก็พอใจสิ่งใดไม่ดีมันก็ไม่อยากทำอย่างเงี้ยมันมีกฎดิบอยู่ในตัวเสร็จวันนี้วิธีปฏิบัติต้องเอาความมันในวันนี้เอาความมันเฮ้ยเอออย่าจะไปยินดิเฮ้ยอย่าไปยินลายดิเออมันผิดธรรม ด่ามันวมาไดเอาความยินดียิน้า่มันก็ไม่เป็นธรรมอ่ะสิตั้งวางให้มันได้จะถ้าทำ้าไม่วางมันก็โกรธจนเป็นโทษขึ้นมาเต่าหมองขึ้นมาขุนมัวขึ้นมาเอาพูดภาษาง่ายๆความโลภความโกรธ ความหลงอันนี้มันเป็นลากเง่าอกุส่นมูลทั้งหลายถ้าไม่มีการชําระไม่มีการล้างไม่มีการขัดเกล้าไม่มีการทําความสะอาดมันไว้โอ้มันจะหนาแน่นมากนะหนาเตะไปเลยสังคมไม่ล่าดูเลยถ้าปล่อยไปตามอํานาจกิเลส ถ้ามันโลกเกิดขึ้นเราก็เอาเต็มที่นะโลกโลกมัจจริยะหรือโลกมัจเจรธรรมถ้าโลกขึ้นมาแล้วอยากได้ใหญ่จนลงไม้ลงมือแสวงห า, าแต่แสวงหาไม่ได้ทางจรงก็อเอาทางอ้อมเอาซะล่ะเกิดโศกเกิดลักเกิดชอบเกิดโคงกันไป โลกโลกตัวนั้นมันมีระดับเไม่ธรรมดาเพราะจากนั้นความโลกก็ยิ่งจัดว่าเป็นอันต ร, รายเป็นอันต ร, รายแก่ทำทั้งหลายทําให้ใจเศร้าใจหมองใจขุนใจมัวได้ถ้าไปรู้อํานาจใจความโลกเพราะอันตรายยังไงอันตรายเสียชื่อเสียเสียง เกียรติยศลถนิยมอาจจะพังไปตามๆกันพระพุทธเจ้าว่าไวา้ท่านทั้งหลายก็จะไม่เข้าใจหรอกต้องอธิบายให้เข้าใจเล้ยวก่อนผู้ที่รู้อำนาจแจความโลกเป็นอันตรายมานักต่อ น, นักเลยนะเกิดโลกโมโทสันขึ้นมา อ, อย่างปัญหาเรื่องเพศตาอุ เข้ามาในเมืองไทยเอเารักมาจากประเทศซาอุดิอราระเบียโนนรักมาได้เขาก็แจง้งข่าวว่าก็จับได้จริงๆจับได้ของกลางเต็มหมดทุกเม็ดนะแต่ว่าจับได้แล้วผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่นเน่มันเกิดเห็นเงินหน้าดำเห็นคำหน้าเศร้าเห็นเข้าตาโตก็แล้วแหละโลก โลภขึ้นมายักย้ายมันไปอให้มันเหลือน้อยๆเราเนี่ล่ะนีอยู่ของกลางแต่ว่ามันไม่เต็มมันเนี่ยหายไปยังไงจับทีแรกมันมีเต็มอนีเต็มบริบูรณ์ดีแต่ว่านานเข้านานเข้ามีคนนั่นหยิบไปเม็ดเดือนคนนี้หยิบไปสองเม็ดหยิบไปพวงหนึ่งสองหวง มันก็น้อยลงน้อยลงไม่เต็มมันเกิดจากอะไรถึงเป็นอย่างนั้นก็เกิดจากความโลภวะเี่เอ่าต่อแล้วเขาก็เข้ามาสอบสวนเองต่างกรรมการเข้ามาสอบมาสวนเองเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยบ้างฝ่ายตาอุดิบ้างเอามาสืบกันเอ่อมันหายไปยังไงสืบทราบสืบทราบกันไปทราบกันไปทราบกันไปก็เลยมีโทษผู้ที่ ต้นตอรับทีแรกมีโทษหนักถึงกับพังไปเลยชื่อเดียงเกียรติยศลถนิยมพังไปตามๆกันเป็นเพระว่ามันเป็นอันตรายถ้าไม่รู้อำนาจเจรความโลภมันเป็นอันตรายยกมาหลายประเทศก็เป็นอย่างนั้นถ้ามีความโลภเกิดขึ้นแล้วเป็นอันตรายผู้ทำงานทาการให ประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งรับผิดชอบบริหารเงินตอก้อนโตๆใหญ่ๆถ้าเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีความอดไว้บ้างก็จะเห็นเงินหน้าดำเห็นคำหน้าเศร้าเห็นข้าตาโตโลบงอโตสันเป็นธรรมดาล้วนันเนี้ยนะโอ้ยอยากได้นำลายสอเลยเ อ, อจับได้เหลือเกินอดไม่ได้จริงๆก็รู้อํานาจแจกความโลภของตัวเวียร เ, เรียกว่ายู่ใต้อํานาจของความโลภความโลภคุกขกภาโคยเอาขอบเอามีทั้งเก็บมีทั้งกรรมมีทั้งขอบมีทั้งโคยมีทั้งคงมีทั้งจินแต่แล้ววะเนี่ยอ่อเิอนขาดไปสะละงบประมาณทั้งหลายก็ขาดไปขาดไ ป, ดไปเอ่อได้พัฒนาประเทศไม่เต็มที่แต่แล้ว นั่นความโลภเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอันตรายสามารถให้พังย่อยยับไปเลยท่านทั้งหลายเห็นหรือยังมองเห็นหรือยังถ้าไปรู้อำนาจเจรความโลภถ้าหากมาเป็นผู้ใหญ่บ้านถ้าหากมีความโลภอาจจะบริหารหมู่บ้านไม่เป็นลำการมีการเก็บการขอกการโวยการโกงการจินกันขึ้นมาเป็นกำนาน มาบริหารตำบลถ้ า, ามีความโลภเกิดขึ้นลุอำนาจเจริความโลภก็ อ, อาจจะมีการเจ็บกันกรรมการขอกการโวยบารโง